ก็ <c oughs> สอบอารมต่อจากเมื่อวานนนะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ส่งอารมณ์โดยการสอบอบรมคือในช่วงที่เราปฏิบัติเนะี่ยโดยเฉพาะที่ทีิการในช่วงหลังเนะี่ยก็จะเน้นให้นักปฏิบัติซึ่งส่วนใหญ่มีมีพื้นฐานความเข้าใจแล้วระดับหนึ่งที่ลองให้ทำดูนานๆเพื่อที่จะได้ ขุดค้นอะไรต่างๆที่มันอยู่ลึกๆนี่พูดขึ้นมาเพราทีนี้พวกเราเริ่มเริ่มดูอารมณ์เป็นของมันเถอะอะไรผ่านมาผ่านไปเริ่มแยกว่าอันนี้ตัวรู้นะอันนี้ตัวคิดนะอันนี้ตัวเวทชาทางกายอันนี้ตัวรู้ไป เ, เห็นพวกนี้ให้ชัดก่อนแล้วก็ดูมันไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่ า, าได้เห็นตัว คิดกับตัวรู้เนี่ยชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นตัวนี้เราถือว่าเป็นตาในที่เห็นอะไรได้ชัดขึ้นซึ่งก็ในช่วงระยะเวลาเนี่ยอย่าไปช่วงแล้วยาให้ผ่านายาวๆจนกระทั่งว่าอะไน้อยมาง่วงอีกแล้วไปนอนต่อไปไหวไหม จนกระทั่งว่าเราได้เห็นทั้งสองด้านชัดเจนด้านบวกด้านลบด้านพอใจไม่พอใจด้านสบายกายไม่สบายกายก็ยิง่งยิ่งปรากฏแล้วก็ยิ่งเห็นเพรยิ่งเห็นตัวรู้ก็ยิ่งเด่นชัดไอตัวเวทนากากายก็ดีวเวทนาทางจิตก็ดีถ้าเราไปเห็นเขามันก็จะปรับมาเป็นกําลังของตัวรู้มากขึ้นเราความจริงเราต้องการที่จะ ให้ให้ผู้ปฏิบัติได้สัมผัสตัวรู้ด้วยตัวเองชัดๆนะแล้วจนกระทั่งวันล้วได้เห็นไอ้ตัวคิดตัวรู้สึกตัวเนี่ยถี่ขึ้นเรื่อยๆจนไปถึงระดับหนึ่งพอมันทันกันนะความคิดและอารมณ์ที่มันค้างอยู่ในใจเนี่ยมันค่อยเบาไปทีนี้มันก็จะเกิดปิติเบาสบายบางคนก็อาจจะนอนไม่หลับ หรือนอนถ้ามันตื่นตัวตลอดแต่มันก็ไม่เพลียนะอย่าไปถือว่าเป็นเรื่องผิดปกติหมายความว่าถ้ า, าเราดูความคิดดูความรู้สึกทางกายมันทันกันมากเข้ามากเข้ามากเข้าจิตมันจะก็จะตื่นนะพอจิตมันตื่นมันวิติความเบาสบายก็ก็ดูดูความรู้สึกที่มันเบาสบา ย, ยางั้นต่อไปอีก นะต่อไปเดี๋ยวมันก็ค่อยแต่ทุกอย่างเราไม่ได้ให้ความสําคัญเนพะียงแต่ให้รู้อาการแต่บางคนถ้าเกิดว่านอนไม่หลับหรือเบาตื่นทั้งคืนนะก็จะความเคยชินของเราเออมันจะเพลียมันจะเมื่อยมันจะง่วงแต่ความจริงบางคนหลายอย่างเมื่ออาการที่จิตมันสบายเบาแล้วมันตื่นตัวนอนไม่หลับบางครั้งสมัยที่มาปฏิบัติพอมาเปลีย่ยนมาก็จะไม่ต้ก็ไม่ต้องนอนแล้วก็ทำอะไร ไปต่อไปเลยทำนูน่นทำนี่ไปเดี๋ยวมก็จะปิตัยิติมันก็ค่อยจางไปเดี๋ยวกลับไปปกตินะเพราะนั้นเมื่อวานก่อนด้านหลังใครบางทียังไม่ได้ส่งอารมณ์มีไหมนี่นะอสองคนเอาคุณจิตเอาคุณจิตก่อนได้ดังจิตไปไง